ีีเรื่อง เ, เล่าสยองขวัญเปรตหลังโรงเรียนสวัสดีครับพี่ๆทีมงานแถวนี้ผีดุผมชื่อป้อมเป็นครูในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งทางภาคอีสานซึ่งโรงเรียนแห่งนี้อยู่ใกล้กับชายแดนประเทศลาวผมจำได้ว่าเมื่อประมาณ1ิบกว่าปีก่อนตอนที่ยังเป็นครูใหม่ๆได้พานักเรียนชั้นมัธยมต้นมหนึ่งถึงมสาม ไปเข้าค่ายลูกเสือที่ชายป่าหลังโรงเรียนและการเข้าค่ายครั้งนั้นทําให้ผมรู้ว่าดวงวิญญาณชนิดหนึ่งที่ปู่ย่าตายายเล่าขานกันว่าเปรกนั้นมันมีอยู่จริง10กว่าปีก่อนผมสามารถสอบราชการครูได้และบรรจุ ง, งานที่โรงเรียนแห่งนี้ซึ่งมีตั้งแต่มหนึถึงม .6 แต่ด้วยเหตุที่ว่าโรงเรียนเพิ่งเปิดได้ไม่กี่ปีและเป็นโรงเรียนติดชายแดนทําให้มีนักเรียนทั้งหมดประมาณ200กว่าคนมีครูประมาณ10กว่าคน ส่วนตัวผมสอนในวิชาพลาศึกษาให้กับเด็กนักเรียนมัธยมต้นและยังรับหน้าที่เป็นครูสอนวิชาลูกเสืออีกด้วยแม้ว่าจะเป็นครั้งแรกของการสอนอย่างเป็นทางการก็ตามแต่ก่อนหน้านี้ผมก็เคยฝึกสอนมาก่อนเลยไม่เคอะเขินเท่าไหร่นักหลังจากที่ผมได้เข้ามาเป็นครูได้ประมาณครึ่งปีในเดือนกุมภาพันธ์ก็ต้องมีเข้าค่ายลูกเสือตามแผนการเรียนการสอนผมกับครูอีกหลายท่านที่รับผิดชอบกิจกรรมนี้ จึงได้ปรึกษาหาหรือกันว่าเราจะมีฐานต่างๆทั้งหมด10ฐานเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งเส้นทางเดินทํากิจกรรมจะใช้ป่าหลังโรงเรียนซึ่งมีลักษณะาลาดชันและเป็นป่านาทึบส่วนสถานที่กางเต็นท์จะใช้สนามฟุตบอลซึ่งติด ก, กับชายป่าเป็นที่ชุมนุมรอบ ก, กองไฟและจัดกิจกรรมในยามค่ําคืนแต่ก็โดนทักท้วงจากนักการพานโรงท่านหนึ่งที่อยู่มานานแล้วว่าไม่ควรจะปักหลักค้างคืนทํากิจกรรมกันที่สนามฟุตบอล พราะมีเรื่องเล่ามาว่ามีผีเปรตตนหนึ่งคอยมาหลอกหลอนผู้คนมาขอข้าวขอน้ำกินเพราะหิวโหอยอาหารมานานและชอบกรีดร้องโหยหวนจนชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆไม่เป็นอันหลับอันนอนกันอาจจะทำให้เด็กนักเรียนหวาดกลัวหรือเป็นอันตรายได้แต่ก็มีครูคนหนึ่งที่คัดค้านว่าเรื่องนี้เคยได้ยินมานานแล้วตั้งแต่สมัยปู่ย่าตาทวดนานจนคนแถวนี้บอกว่ากลายเป็นตำนานไปแล้วผีเปรตคงไปเกิดหมดแล้วกระมัง เมื่อโดนทักท้วงเช่นนั้นนักการพานโรงก็หัวเราะชอบใจเพราะคิดว่าตนเองก็คงเพ้อเจ้อไปตามสิ่งที่ได้ยินมาเพราะตั้งแต่มาทํางานที่นี่ดึกๆ ด, ดึง ด, งดงก็เดินผ่านสนามฟุตบอลแต่ก็ยังไม่เคยเจอผีเปรตในตำนานที่พูดกันแม้แต่เสียงร้องที่เขาว่ากันก็ไม่เคยได้ยินครูทั้งหมดที่ทํากิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือจึงตัดสินใจให้เด็กนักเรียนกางเต็นท์ที่สนามฟุตบอลและจัดกิจกรรมรอบกองไฟกันที่นี่เมื่อถึงวันเข้าค่ายแล้ว เด็กนักเรียนมัธยมต้นซึ่งมีอยู่ประมาณร้อยกว่าคนก็ได้มารวมตัวกันแล้วแยกย้ายกันเดินทางตามลูกศรที่ได้วางไว้ในตอนเช้าตรู่จากนั้นก็ได้ปฏิบัติการตามฐานต่างๆทําให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานทุกอย่างเรียบร้อยไปด้วยดีจวกจนกระทั่งถึงตอนเย็นนักเรียนนักครูก็ได้มารวมตัวกันที่สนามฟุตบอลและแบ่งหน้าที่กันส่วนหนึ่งกางเต็นท์อีกส่วนหนึ่งก็ก่อไฟเพื่อหุงหาอาหารทุกคนต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จนกระทั่งเสร็จสั์ต่างก็แยกย้ายกันไปอาบน้ำรับประทานอาหารเย็นแล้วก็ถึงยามค่ำคืนที่นักเรียนทุกคนรอคอยก็คือการชุมนุมรอบกองไฟท้ำกลางอากาศที่ยังหนาวเย็นอยู่รอบกองไฟที่ลุกโชนนั้นมีทั้งการแสดงละครจากนักเรียนการร้องเพลงเต้นรำทําให้ทุกคนเกิดความเพลิดเพลินสนุกสนานจนกระทั่งถึงเวลาประมาณ4ี่ทุ่มกว่ า, ก, วากิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟก็จบลง นักเรียนบางส่วนก็แยกย้ายกันไปนอนในเต็นท์บางส่วนก็เฝ้ายามนั่งผิงไฟอยู่ด้านนอกเต็นท์ส่วนผมกับครูอีกหลายคนก็ตรวจตราวความเรียบร้อยรอบๆค่ายซึ่งเต็นท์ของครูจะกระจายไปแต่ละจุดเพื่อให้ทั่วถึงกับนักเรียนส่วนเต็นท์ของผมกับครูอีกคนหนึ่งอยู่ติดกับชายป่าซึ่งบริเวณ น, นั้นทั้งมืดทั้งทึบแต่แสงสว่างจากกองไฟก็ทำให้บริเวณโดยรอบไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นัก ตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบ เ, อบเที่ยงคืนแล้วแต่ครูผู้ชายอีกคนนึงที่เป็นเพื่อนกับผมนั้นแกยังไม่นอนผมเองก็ยังไม่นอนเพราะต้องคอยดูความเรียบร้อยให้เด็กๆ ด, ด้วยเผื่อมีเหตุอะไรผิดปกติผมกับเพื่อนครูคนนั้นจึงมานั่งผิงไฟกันอยู่นอกเต็นท์และชวนกันพูดคุยสเปเรเหระต้องบะมีสําเร็จรูปกินกันบ้างจิบน้ําชาบ้างเพื่อให้ใคลายความหนาวเด็บทันใดนั้นเองเพื่อนครูบอกว่าปวดปัสสาวะแต่ไฟฉายอยู่ในเต็นท์ผมซึ่งอยู่ใกล้เต็นท์มากกว่า จึงอาสาไปหยิบไฟฉายให้ขณะที่หาไฟฉายอยู่ในเต็นท์นั้นแสงไฟจากกองไฟที่กระทาบผ้าใบทําให้เห็นเงาบางอย่างเคลื่อนที่ไปมามันเหมือนเงาของคนแต่ทําไมขามันยาวมันใหญ่นักมันแวบไปแวบมาตอนแรกผมเข้าใจว่าเป็นเงาของเพื่อนครูคนนั้นเมื่อได้ไฟฉายแล้วผมจึงเดินออกมานอกเต็นท์แต่ปรากฏเพื่อนครูไม่อยู่แล้วผมคิดในใจว่าคงจะปวดปัสสาวะมากจนทนไม่ไหว อาจจะปลดทุกแถวแถวรอบรอบป่านี้ก็ได้ผมจึงนั่งลงผิงไฟต่อจิบน้ําชาไปเรื่อยๆสักพักก็เห็นเงาแบบเดิมอีกแล้วมันเหยียบย่างไปมาช้าๆและดูเหมือนว่าเงาของผู้ที่กำลังเดินอยู่นั้นจะอยู่ด้านหลังของผมเองเงานั้นมีลักษณะที่สูงเท่าๆกับต้นไม้ขายาวและใหญ่มือเหมือนกับพัดมีลักษณะาบานและใหญ่ส่วนหัวมีขนาดที่เล็กมากเท่ากับลูกมะพร้าว ขดเดียวกันกลิ่นเหม็นสาบเหมือนซากสัตว์ตายเริ่มโชยมาเบาๆตอนนั้นผมก็ยังนึกในใจว่าอาจจะเป็นเงาของเพื่อนครูก็ได้เพราะในตอนกลางคืนเราจะเห็นเงาของคนมีลักษณะายาวและใหญ่อยู่แล้วจึงไม่แปลกใจอะไรแต่กลิ่นเหม็นเน่านี่สิทําให้ผมแทบจะอาเจียนจึงหันไปด้านหลังพร้อมกับถามว่าครูได้กลิ่นอะไรไหมมันเหนม็นเหม็นเหมือนสัตว์ตายเลยทันทีที่หันไปผมกลับไม่เห็นครูคนนั้นแต่สิ่งที่เห็นคือ ผีเปรตมันเดินไปมาอยู่ชายป่าใกล้กับเต็นท์ที่พักไม่ถึง10เมตรตัวของมันสูงชะลูดเฉียดต้นไม้ตัวใหญ่ยาวและดำทำมึนไปหมดขายาวเก้งก้างแขนยาวมือใหญ่ราวกับใบพัดลมพุงโลหัวมันเล็กมากเมื่อเทียบกับตัวของมันส่วนหน้าตาของมันผมมองไม่เห็นชัดเพราะความมืดสลัวไม่รู้ว่าจะมีรูปากที่เล็กเท่ากับหัวแม่ขีดอย่างที่โบราณกล่าวไว้หรือไม่แต่ที่เห็นชัดคือ มันเดินไปมาวนเวียนในที่เดิมกลิ่นเหม็นก็ตลบอบอวลไปทั่วตอนนั้นผมได้แต่มองผีเปรตแล้วตะลึงกับสิ่งที่เห็นรู้สึกกลัวจนทำอะไรไม่ถูกตัวชาขาสัน่นเพราะไม่คิดว่าจะเจอกับมันเข้าอย่างจังแต่มันก็ไม่ได้ทำอะไรเพียงแต่เดินไปเดินมาเท่านั้นพอผมตั้งสติได้ก็วิ่งเข้าไปอยู่ในเต็นท์แล้วเอาผ้าห่มคลุมโปงจะสวดมนต์ก็สวดไม่ออกจะร้องเรียกใครก็ร้องไม่ได้ เพราะความกลัวจนตัวสั่นไปหมดได้แต่คลุมผ้าห่มแล้วหลับตาภาวนาในใจให้มันออกไปจากตรงนั้นเร็ ว, รวภาพของมันติดตามมากจนไม่กล้าจะลืมตาเลยสักพักเสียงเปิดซิปหน้าเต็นท์ก็ดังขึ้นใจผมเต้นรัวเหงื่อเริ่มตกเพราะกลัวว่าจะเป็นผีเปรครูครับครูเสียงเพื่อนครูคนนั้นที่นอนในเต็นท์เดียวกันเรียกและเขย่าตัวผมไปพร้อมๆกับผมสลัดผ้าห่มออก เห็นหน้าของเพื่อนครูก็รู้สึกโล่งอกขึ้นมาบ้างเมื่อก anyway> cool <Ja ี้ผมปวดฉี่มากเลยไม่ได้รอไฟฉายจากครูแล้วนี่ครูเป็นอะไรหรือเปล่าเหงื่อออกท่วมตัวเลยไม่สบายหรือเปล่าครูคนนั้นถามผมด้วยสีหน้าที่ยังแปลกใจถ้าผมเล่าให้ฟังครูจะว่าผมบ้าหรือเปล่าครูคนนั้นชะงักแล้วถามผมต่อว่ามีเรื่องอะไรหรือครับจากนั้นผมจึงเล่าเรื่องที่ผมเห็นเปรดเมื่อครู่ให้เพื่อนครูฟังและดูเหมือนว่า เพื่อนครูคนนี้ไม่ได้เชื่อที่ผมพูดเลยผมว่าครูตาฝาดหรือเปล่าแถาๆนี้ต้นไม้เยอะมีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอ่ะครูอาจจะตาฝาดก็ได้นะครับเพราะผมเดินผ่านมาก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยแต่ผมเห็นจริงๆนะครับค ร, บครบูผมพยายามพูดให้เพื่อนครูเชื่อแต่ก็ไม่ได้ผลนี่ก็ดึกแล้วผมว่านอนพักผ่อนดี ก, กว่าครับตอนเช้าต้องตื่นแต่เช้าอีกเพื่อนครูตัดบททำท่าเหมือนตำคานกับสิ่งที่ผมพูดจากนั้นต่างคนก็ต่างนอนแต่ผมกลับนอนไม่หลับ เพราะกลัวผีเปรตมันจะมาหลอกอีกค่ำคืนนี้แม้จะมีแสงไฟจากกองไฟที่ก่อไว้ให้ความสว่างแต่ความเงียบสงัดได้ยินเพียงเสียงจิ้งหรีดลมเย็นๆพัดโ ช, ชยมาแม้จะอยู่ในเต็นท์ก็ยังคงหนาวเหน็บผมนอนคลุมโปงและนับเลขไปเรื่อยๆเพื่อให้ตนเองหลับและให้คลายจากความกลัวซึ่งมันก็ได้ผลเพราะมันทาให้ผมหลับไปโดยไม่รู้ตัวแต่ผมก็มารู้สึกตัวอีกทีประมาณตีสองกว่า พราได้ยินเสียงบางอย่างมันบิดร้องดังโหยหวนเหมือนเจ็บปวดทรมานมากด้วยความบาดกลัวจึงปลุกเพื่อนครูที่นอนอยู่ข้างข้าครูครับครูครับผมเขย่าตัวเพื่อนครูจนตื่นแล้วถามว่าได้ยินเสียงบิดร้องแน่หรือไม่เพื่อนครูงวงเนียลืมตาขึ้นมานิ่งไปสักพักแล้วพูดว่าได้ยินเสียงบิดร้องเหมือนที่ผมได้ยินเหมือนกันเสียงนกหรือเปล่าครูเพื่อนครูถามผม ผมว่าไม่น่าจะใช่นะมันร้องเสียงแหลมและเสียงดังติดต่อกันนานเกินไปซึ่งคำพูดของผมเพื่อนครูก็ลุกขึ้นและบอกจะออกไปดูเองเพราะถ้าปล่อยไว้อย่างนี้คงนอนไม่หลับกันทั้งคืนแน่ๆแต่ผมก็ไม่กล้าจะเดินออกไปด้วยได้แต่นั่งรออยู่ในเต็นท์สักพักเสียงร้องดังเฮ้ย <Hey! S 1> เหมือนคนตกใจกลัวอะไรบางอย่างแล้วครูคนนั้นก็วิ่งเข้ามาในเต็นท์ด้วยสีหน้าตื่นบอกกับผมว่าเปรตเสียงเปรตร้องผมได้ยินนั่งนั้นก็ขนลุกสู้ไปทั้งตัว เพราะเสียงหวีดร้องนั้นดังไม่ยอมหยุดผมกับเพื่อนครูได้แต่เอาผ้าห่มมาคลุมโปงกว่าเสียงเปรตจะหยุดร้องก็ร่วม20นาทีทำใหผมกับเพื่อนครูเหงื่อแตกทั่วตัวปวดหนักปวดเบาก็ไม่กล้าออกไปจากเต็นท์จนกระทั่งถึงเช้าผมจึงถามเพื่อนครูว่าเจอเปรตลักษณะเป็นอย่างไรเพื่อนครูก็บอกเช่นเดียวกับสิ่งที่ผมเห็นคือตัวดํายาวใหญ่เท่ากับต้นไม้เดินวนไปเวียนมาแล้วก็ร้องโหยหวนตลอดเวลาผมจึงเล่าเรื่องนี้ให้ครูคนอื่นๆฟัง ครูคนอื่นก็บอกเช่นเดียวกันว่าได้ยินเสียงหวีดร้องเหมือนกันแต่ไม่ได้ลุกขึ้นมาดูเพราะกลัวหลังจากที่เข้าค่ายเสร็จแล้วผมและเพื่อนครูได้ไปรถน้ำมนต์ที่วัดและทําสังฆทานไปให้กับเปรตตนนั้นพระท่านบอกว่าสาเหตุที่เปรตวีดร้องก็เพราะความหิวโหวยอดอยากในอาหารแต่ก็กินไม่ได้เพราะมีปากที่เล็กมากเปรตบางชนิดก็ไม่สามารถรับบุญได้จึงต้องทนทุกข์ทรมานจนกว่าจะหมดกรรม หากคุณชอบเรื่องนี้กรุณากดถูกใจและกดติดตามด้วยนะครับ